ดูนะอันนี้คือมุมที่อาตมาจะพูดว่ามุมที่เป็นประโยชน์ที่จะสอนให้มานพคนนี้รู้ว่าเออเนี่ยโทษภัยของกามนะโทษภัยของราคะเนี่ยมันร้ายขนาดนี้ขนาดคนแก่แล้วนะคนอายุยาวอยู่ยแหละคนแก่แล้วเนี่ยนะยังอายุตั้งร้อยยีแล้วดูซิยังฆ่าลูกลูกที่มีความกระตันอยู่ด้วยนะลูกที่โอ้โหอุตส่าห์ดูแลแม่มาตลอด ฉนี้คิดว่าอย่างดีพอโดนราคาครอบงานแล้วยังถึงกับจะฆ่าลูกของตัวเองอเอที่ดีขนาดเนี้ยยังจะฆ่า <ใน S 1> ได้อันนี้คือประโยชน์ที่ทกำลังสอนให้มานพนี้แต่ส่วนโทษนะะเดี๋ยวโทษพใหญ่พุพทธิลังเอาฟังต่อก่อนมานพฟังดังนั้นแล้ว ก็กราบลาอาจารย์นะจบแล้วนี่มนนี่จบแล้วก็กราบลาอาจารย์ไปยังบ้านตนครั้นถึงบ้านมารดาถามเขาว่าเจ้าเรียนอัสาตามนจบแล้วหรือเขาตอบว่าครับคุณแม่มารดาถามต่ออีกคราวนี้จะทำอะไรเล่าจากบวชจกบําเรอไฟหรือจกอยู่ครองเรือนมานพกล่าวว่าคุณแม่ ผมได้เห็นโทษภัยของหญิงแล้วมีมากนักขึ้นชื่อว่าหญิงในโลกส่วนมากไม่รู้จักยับยัง้งหาเวลาแน่นอนไม่ได้ทั้งร่างรักเริงชูกินไม่เลือกเหมือนไฟที่กินได้ทุกอย่างหญิงเหล่านั้นร้อยเล่ห์หลอกลวงเป็นบอ่อเกิดแห่งความโศกมีเชื้อโรคเป็นตัวอุบาทหยาบคายก่อให้เกิดความผูกพัน เป็นชนวนแห่งความตายเป็นนางบางเงาชายใดวางใจในานางชายนั้นจะเป็นคนเลวในฝูงคนนังนั้นผมจึงไม่ต้องการอยู่คลองเรือนละผมจะหลีกละพวกนางไปบวชเพื่อเพิ่มภูณวิเวกของตนนะมานก็ก็พูดง่ายว่าเห็นโทษภัยในเรื่องของกามจริงนะแล้วก็เลยคราวนี้ก็เลย เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากที่จะคองเรือนพรมามณนพติเตียนหญิงทั้งหลายอย่างนี้แล้วก็กราบลามานดากราบลาบิดาเพื่อออกบวชเพิ่มภูมิวิเวจนได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหลายไม่รู้จักจืดจางลามก มีเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ทุกอย่างนี้ทรงแสดงโทษของหญิงทั้งหลายแล้วประกาศสัจจะธรรมครั้นในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นดํารงอยู่ในโสดาปติผลแล้วพระศาสดาทรงสืบอนุสนธิของชาดกนี้ว่ามารดามาณพในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุณีชื่อพัทธกาปิราณีในบัดนี้ ส่วนบิดาของมานพได้เป็นพระมหากัสสปะในบัดนี้มานพผู้เป็นสิทธ์ได้มาเป็นพระอานนุ์ส่วนอาจารย์ได้มาเป็นเราตถาคตชนีแลชาดกเรื่องนี้จบแค่นี้แต่จุดที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือจุดในเรื่องที่อาจารย์คนนี้สอนในเรื่องของของอะไรเรื่องของกามนะ ในเรื่องนี้พูดถึงเรื่องผู้หญิงว่าผู้หญิงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าท่านตรัสกับภิกษุนะท่านสอนผู้ชายเพราะท่าน ก, ก็ต้องว่าผู้หญิงให้ให้ผู้ชายฟังแต่ถ้าสมมติว่าเกิดไปสอนผู้หญิงนะก็จะต้องว่าผู้ชายให้ผู้หญิงฟังเพราะอะไรเพราะเรื่องของกามเรื่องของราคะเนี่ยในโลกนี้ทั้งหมด ผู้เจ้าท่านตัดนะอันนี้ผู้เจ้าท่านตัดว่าวัตถุสิ่งของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรดึงดูดสตรีได้เท่าบุรุษไม่ว่าจะเป็นรูปนะรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามนะไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะดึงดูดส ต, สตรีเนี่ยได้เท่ากับรูปรูปของบุรุษรสของบุรุษกลิ่นของบุรุษเสียงของบุรุษ เนะี่ยสัมผัสของบุรุษเนี่ยมีอิทธิพลที่สุดสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายก็เหมือนกันผู้เจ้าท่านกระตัดไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงอย่างอื่นนะเท่ากับสตรีที่จะมีอำนาจควบคุมอำนาจที่จะข่มบังคับหรือว่าทำให้บุรุษเนี่ยล่มสลายได้นะไม่มีอย่างอื่นนอกจากสตรีนะอันนี้ผู้เจ้าท่านก็เลย รัดเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนจุดที่อาตมาบอกว่ามันไม่เหมาะมันไม่ควรนะนะในในเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่มันจริงๆไม่น่าที่จะเอาแม่เนี่ยมาอะไระถึงแม่นะถึงแม่ว่าจะต้องตายในวันนั้นก็จริงแต่ไม่ควรทําไมไม่ควรตรงไหนไม่ควรตรงที่เรียกว่าถ้าปล่อยท่านตายไปโดยธรรมดาเอาละวันนั้นต้องตายนะ ปล่อยตายไปตามธรรมดาโดยที่จิตเนี่ยไม่ได้ไปโดนราคะโทสะหรือว่าอะไรครอบงําถ้าตายไปลักษณะนั้นจิตจะดีหรือว่าไม่ดีอ่าจิตจะดีส่วนถ้าให้ตายลักษณะนี้จริงเป็นประโยชน์ให้กับมานพคนนั้นนะสามารถจะออกบวชสามารถที่จะได้ดิบได้ดีขึ้นมาก็จริงแต่ว่าอันนั้นน่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตนะไม่รู้ว่าจะได้ดิบได้ดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ยกเว้นว่า อ, อาจารย์ที่สาปาโมากคนนี้สามารถคํานวณได้อีกว่ามาท็อกคนนี้จะได้ดีถึงขั้นแหมบรรลุทำอย่างโน้นอย่างนี้นะถ้าคิดแล้วคุ้มกว่าก็เอา้าก็ยกให้แต่จริงๆแล้วอาตมาก็อยากจะบอกว่าเรื่องของแม่เนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ให้กําเนิดเลี้ยงดูเรามายังไงยังไงเราก็น่าจะยกนะน่าจะยกย่องหน้าที่จะให้คุณค่าเนี่ยให้สูง ไม่ควรที่จะทำอะไรที่มันมันอะไรอ่ะเป็นผลเสียให้กับท่านได้ผลเสียยังไงอาจารมาจะอ่านพระสูตรให้ฟังพระสูตรหนึ่งแล้วอาจารมาจะบอกว่าผลเสียคือตรงนี้อาจจะมาถึงโอ้ยอ่าเรื่องนี้มานานรู้เรื่องนี้มานา น, น, า น, านแต่ไม่เคยคิดที่จะมาเอามาสอนคนผลเสียตรงนี้ก็คือตถาคต กำหมดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ว่ามีจิตขุนมัวด้วยจิตอย่างนี้ถ้าในสมัยนั้นบุคคลนั้นพึงถึงแก่ความตายเขาจะถูกกรรมของตนซัดไปในนรกก็เพราะเหตุแห่งจิตขุนมัวนั่นและสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความชิบหายทางไปชั่วพบที่รับทุกนรก หมายถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าจะตายอยาน่นะแล้วเขามีสั่งสมจิตอะไรที่มันเป็นอกุศลไว้แล้วเขาตายไปด้วยจิตอกุศล น, นั้นคนนี้จะไปไหนอะ่ะมันก็ต้องไปตามจิตที่ไม่ดีนั้นใช่ไหมจิตที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องไปนรกพูดง่ายๆสรุปง่ายๆคือจิตไม่ดีก็ต้องไปนรกถ้าคนไหนสั่งสมจิตที่ดีไว้ก่อนจะตายก็มีจิตที่ดีนั้นไปด้วยก็เราเรียกว่าไปสวรรค์ก็หมายถึงว่าไปสู่สุคติไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นอันเนี้ย คือความแตกต่างเพราะนั้นถึงบางครั้งบางคนเนี่ยอาณมายกตัวอย่างนะอโยมพ่ออาตมาเนี่ยป่วยนะไม่สบายเป็นคล้ายกับคิดถึงอย่างเงี้ยคือเป็นมะเร็งนันแะล้วมันขึ้นสมองหมอเขาตรวจเสร็จแล้วปรากฏว่าตายแน่นอนนะไม่มีทางไม่มีทางที่จะไปรักษาให้หายได้เพียงแต่ว่า จะรักษายังไงต่อไปเท่านั้นเองแต่ว่าไม่หายแน่เพราะว่ามันขึ้นมากินกะโหลกหมดแล้นะศรีรษะเนี่ยขึ้นมากินสมองแล้วตอนที่อาตมาไปดูแรมจําได้ว่าโอ้โหนั่นแหละก็มันก็เป็นแบบโรงพยาบาลเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเอาไปตรวจไปเช็คอะไรเนี่ยนั่นแหละไอ้เรื่องดูสเลตไอ้เรื่องอะไรอ่ะเขาเขาเวลาเขาตรวจเนี่ย ไม่ว่าจะเรื่องสวนทวารไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยโห้เราเห็นแล้วทรมานทรมานธรกรรมตอนนั้นโยมพ่ออาตมาเนี่ยจะกลับให้ได้เลยจะกลับให้ได้เลยนะเอาไปตรวจนี่มันไม่ใช่แป๊บๆนะ้ำต้องเสียเวลานะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลด้วยก็ไปนอนเฝ้าโอ้โหอาตมา น, นี่เห็นใจจริงๆเลยแต่ว่าให้ท่านกลับไม่ได้ให้ท่านกลับไม่ได้ ก, ไไดก็ต้องอยู่ตรวจกันจนกระทั่งเสร็จแต่เห็นเลยว่าโอโ้ท่านทรมาน ทรมานจากโรคเนี่ยท่านเจ็ดทรมុปวดนะโวอาตมาเห็นท่านเอามือเนี่ยตีตีหัวเพราะมันเจ็บมากไม่รู้จะทำไงเอามือตีเนี่ยโว้เสียงดังลั่นเลยนะอาตมาเห็นแล้วยังโอโหตกใจเลยไม่นึกว่าจะเอามือตีหัวตัวเองแรงขนาดนั้นเนี่ยห้ามก็ห้ามไม่ไหวเพราะว่ามันทุกขเวทนาก็ต้องปล่อย แต่ว่าเป็นคนเข้มแข็งนะโยมพ่อจตมาเป็นคนใจเด็ดมากเลยใจแข็งบอกบอกลูกๆเนี่ยบอกลูกๆอยู่คำเดียวว่าให้เอากลับบ้านให้เอากลับบ้านบอกถ้าจะตายก็ไปตายที่บ้านไม่ยอมที่จะอยู่โรงพยาบาล น, นะแล้วไม่ยอมที่จะให้แบบว่ามาตรวจมาเช็คอะไรแล้วก็รู้ตัวเองด้วยมีความรู้สึกว่ารู้ตัวเองว่าตัวเองจะตายพวกแตมาตหลังก็ เอามากลับบ้านก่อนนะเอากลับบ้านเสร็จพอรู้ผลโรงพยาบาลบอกมานี่ก็โอ้โหคิดกันหลายๆคนพี่น้องมารวมกันข้าว่าจะทำยังไงดีหมอเขาเสนอว่าฉายแสงก็ก็ประทางไปนั่นเองไม่หายคือฉายแสงประทางไปหรือว่าให้กินยานะหรือว่าจะให้อยู่โรงพยาบาลหรือว่าให้เอากลับบ้านตอนนั้นนะพวกธารมาก็ประชุมกันแล้วก็ตกลงว่า เอากลับบ้านแล้วก็ไม่ฉายแสงเพราะว่าก็ไหนๆถ้าจะต้องตายแน่ๆแล้วไม่เอาทรมานไม่ต้องไปฉายแสงให้มันทรมานอีกก็เอามาที่บ้านส่วนก็พยายามรักษาต่อรักษาต่อไปโดยที่รักษาตามธรรมชาติของเราเองคือว่ามีหมอมีอะไรแล้วก็เชิญมาที่บ้านแล้วก็มียาอะไรให้กินก็ให้กินกันไปนั่นแหละรักษาไปเรื่อย ก็ไม่นานน่ะนะรักษากันไปสักพักหนึ่งสักคิดว่าไม่ถึงเดือนน่ะนะจนกระทั่งเรียกว่าตาหลังเนี่ยกินอาหารไม่ได้แลกกินอาหารไม่ได้ถ่ายไม่ได้คือพอถึงขั้นนี้กินไม่กินไม่ได้ใช่ไหมถ่ายไม่ได้เอาก็ต้องเอาน้ําเกลือมาให้อะไรอย่างนี้ก็ต้องให้แต่พอกินไม่ได้ถ่ายไม่ได้เนี่ยไม่กี่วันอ่ะไม่ไม่เกินเจ็ดวันส่วนใหญ่ กินไม่ได้ถ่ายไม่ได้ก็ตายแต่แต่อัตมารู้สึกว่าจิตมันสงบอะจิตมันไม่ไม่ไม่ไปทรมานเพราะโลกเพราะว่ามันปลงได้แล้วเรื่องเรื่องเรื่องของร่างกายเนี่ยมันคือคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าตายแน่ๆนะมันไม่มีทางอื่นแล้วแล้วไม่ไม่ไปใจอ่อนนะกันนะไม่ไปห่วงน้นห่วงนี่ห่วงอะไรมากนะเราต้องตายแน่ๆเนี่ยมันในที่สุด มันเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับคนเหมือนกันให้ต้องปรงไม่อยากจะปรงนะไม่อยากจะปรงก็ต้องปรงเพราะว่าถ้าไม่ปรงอะทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วจะกะวนกระวายจะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะนั้นยิ่งใครเนี่ยถ้าไม่ใจเด็ดเด็ดไม่ใจแข็งแข็งนะแล้วไม่พยายามทําความเข้าใจนี้ได้โอ้มันจะห่วงหาอะไรอวรนมากเลยคิดถึงสมบัติมั่งคิดถึงลูกเต้ามั่งคิดถึงเคยกินอะไรอร่อยนะติดอะไรเงี้ยมันจะคิดสารพัดเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่อาตมาบอกแล้วว่าโยมพ่ออาตมาที่ใจแข็ง ใ, ใจเด็ดนะเพราะฉะนั้นก็แบบว่าทาั้งที่ทรมานนะเจ็บปวดแต่ว่าพอคนเราเนี่ยมันตัดใจไปแล้วเนี่ยตายเนี่ยสบายมากเลยไม่ได้ทุรนทุรายเลยตายไปก็ค่อยๆหายใจเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็ตายไปคือจิตคนเราเนี่ยถ้ามัน มันพร้อมแล้วมันยอมคือไออย่างที่จะเอาแล้วเนี่ยที่ต้องการเนี่ยมันแน่ใจว่าต้องการแล้วไม่ได้แน่ๆไม่มีทางเลยนะแล้วมันมันปล่อยไปมันก็เหลือแต่สิ่งที่ตัวเองจะทำได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ามันมันอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็เอาในสิ่งที่เอาได้เท่านั้นเหลือแต่จิตนะมันจะใกล้ตายมันก็เหลือแต่จิตเท่านั้นเองเพราะนพอจิตมันก็ค่อยๆ ก็ค่อยปล่อยไปสบายยิ่งบางคนเลยนะถ้ายิ่งไม่ห่วงอะไรนะใจคนคนใจเดีย๋ยใจแข็งไม่ห่วงอะไรเนี่ยไม่คิดถึงอะไรเลยนี่เฉยเลยแหละคราว น, นี้ก็ไปแบบเฉยๆอย่างนั้นอะไปแบบสบายๆโด ย, ยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยซึ่งอันนี้แหละถ้าจิตเป็นอย่างนี้นะเหมือมนพระสูตรที่เอีอ่านให้ฟังถ้าจิตอย่างนี้อะเราก็ถือว่าเหมือนกับไปสวรรค์จิตมันก็สบายไป ต่อจากนั้นไปก็ไปเกิดใหม่แล้วก็วิบากกรรมใครสะสมยังไงก็ไปตามไปตามาวิบากที่คนนั้นสะสมอย่างน้อยก็ยังถือว่าเอายังไปดีหน่อยไม่จะต้องมาทุกข์ทรมานหรือว่ามาอะไระจิตขุนมัวกับ เ, เวทนาหรือว่ากับกิเลสติดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่ตัวเองยังติดอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วคนที่อย่า ง, างน้อยๆเนี่ยจะตายไปก็อย่างสบายใจไม่ต้องมาทุกข์อะไรมากเาะะั้นจุดนี้แหละที่อาตมาถือว่าว่าเรื่องนี้อันนี้ไม่เหมาะอะไรนะก็ไม่สงบสิถ้าตายลนานักษณะนี้ทั้งกามก็กุ่มลุ่มเข้าใจไหมกามก็รุ่มกลุ่มกุ้มลุ่มด้วยแล้วก็ต้องมาช็อกเพราะว่าโดนจับผิดอะไรเงี้ยนะ มันมันอาตอมาถึงบอกไงอาตอมาเห็นว่าอั น, นเนี้ยเนี่ยมันมันไม่ถูกอันเนี้ยนะจุดนี้นะที่เห็นว่าไม่ถูกมันไม่ควรไม่ควรจะเป็นลักษณะนี้เลย อ, อ่านต่ออีกหน่อยหนึ่งนะตรงที่เรียกว่าท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าจงถอนความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียพึงเป็นผู้ข้ามพ้นความตาย ได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ความตายจึงจะไม่เห็นฟังดูให้ดีนะแม้แต่เรื่องความตายเนี่ยมันก็ไม่มีถ้าคนนั้นเนี่ยรู้ว่ามันมีแต่อายุยาวไปเรื่อยๆใช่ั้มถ้าคนเราเนี่ยมีแต่อายุยาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีตายหรอกเข้าใจไหมมันมีแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนร่างใหม่ท่านันเอง มันไม่มีตายคือมันยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอชาตินี้เนี่ยคนนี้ร่างกายนี้ใช้ไม่ได้แล้วจะต้องสูญเสียไปแล้วจะต้องทิ้งไปแล้วคุณก็ทิ้งไปร่างนี้คุณยังจะต้องไปเกิดใหม่คุณเกิดใหม่คุณก็ต้องไปหาร่างใหม่อยู่อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีตายหรอกถ้าพูดจริงๆอะ่ะเพราะตายจริงๆเนี่ยมันมีแต่ใครเท่านั้นที่จะตายได้จริงๆ พระอาหารหันต์ผู้ที่ท่านจะให้ท่านศูนเท่านั้นเองที่ท่านจะไม่เกิดอีกอย่างเงียถึงจะตา ย, ยาจริงๆใช่หรือเปล่านอกนั้นนะ่ะไม่มีตายหรอกมีใครตายบ้างอ่ไม่ไม่มีตายนะอันนี้ไม่ใช่แบบไอ้นั่นนะแบบอะไรนะชื่ออะไรนะที่เรื่องแบบเรื่องอะไรคล้ายเรื่องรามเกียรติ์นะเรื่องอะไรนะที่บอกว่า ยิงฆ่าคนแล้วก็เพียงแค่เอาดาบฟันไปนี่ก็คือแค่ ว, ว, ว่าจะจบใช่ไห ม, ไมแค่อนูอะไรอ่ะผ่านอานูไปเท่านั้นเองไม่ใช่นะที่อรธรมาอธิบายไม่ใช่อย่างกันนะไอ้นั่นมันมั น, มนอะไรอ่ะมันไม่ถูกไอ้นั่นมันมิฉาทิฏฐิแต่อันนี้นี่เราพูดแบบถูกต้องแล้วก็แบบพูดแบบสัมมาทิฐิด้วยให้เราเข้าใจว่าถ้ามันยังมีกิเลสอยู่เนี่ย มันไม่มีตายหรอกมันเกิดอยู่อย่างนั้นเนะี่ยผู้เจ้าถึงได้เรียกว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารคือเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆคือคําว่าเวียนตายเวียนเกิดก็คือมันไม่มีตายใช่หรือเปล่าล่ะไอ้คําว่าเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยคือมันไม่มีตายกินเหลวมันไม่หมดก็บอกแล้วคุณเปลี่ยนร่างอีกกินร่างก็ตามอันตรายยกง่ายๆก็ได้สมมุตินะ ใครกินมื้อเดียวไม่ได้เนี่ยเอาแค่เนี้ใครกินมื้อเดียวไม่ได้เนี่ยนะเอาชาติเนี้ยเอาร่างเนี้ยกินไม่ได้ชาติหน้าเปลี่ยนร่างใหม่มันก็กินไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะเพราะว่า <laughs> อะไรเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกให้ได้เพราะถ้ามันฝึกให้ได้นะมันได้เมื่อไหร่อา้าวพอต่อต่อไปมันก็ได้ตามที่ฝึกมานั้นเอาใครติดทุเรียนอย่างเงี้ยคิดว่ า, าจะเลิกทุเรียนได้คือไม่ต้องติดทุเรียนอีกต่อไปได้เนี่ย คนนั้นจะต้องไม่บเวียนตายเวียนเกิดกับทุเรียนใช่ไหมจะต้องไม่ไปเวียนตายเวียนเกิดกับทุเรียนจะต้องไม่มีวัตตาสงสารกับทุเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่เวียนตายเวียนเกิดกับทุเรียนได้คือคนนั้นจะต้องนิพพานในทุเรียนใช่ไหมใช่หรือเปล่าอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เล่าเรื่องชาดกพ่อของเราให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่ากลัวนักกลัวหนากลัวจะไม่ได้กินทุเรียน กลจะไม่ได้กินอะไรอีกอะไอซศครีมไม่ต้องไปกลัวมันหรอกคุณกลัวว่าคุณจะจะเลิกกินได้ยังไงดีกว่าเนีไอ้กลัวไม่ได้กินเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันกินมันตั้งกี่ร้อยกี่พันชาติยังยังไม่ไม่รู้ด้วยซ้ําไปมันน่าเบื่อด้วยซ้ําไปไอ้ที่ติดอยู่นั่นแหะแต่มันไม่รู้สัตว์จากอันนี้ไงไม่รู้ว่าเนี่ยคุณวนเวียนอยู่กับทุเรียนเนี่ยกี่ร้อยชาติกี่พันชาติคุณไม่รู้เหรอเนี่ยมันน่าจะเบื่อด้วยซ้ําไปทำไมยังไม่ติดมันอยู่ บางคนกินมือเดียวไม่ได้ทำไมยังกินไม่ได้แล้วทำไมระวังจะเหมือนกับยายอายุร้อยยี่สิปีคนนี้มันก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยแกขนาดนี้ขนาดนี้แล้วทำไมยังจะต้องเอาการมาวนกลับอีก ท, ทั้งทั้งที่สังขารมันไม่ให้แล้วทำไมวนกลับอีกก็เพาะบอกแล้วว่ากินวิญญาณมันไม่แก่นะไอ้การที่มีอยู่นะถ้าไม่ลดนะอายุาเอ่อ แกร่างกายนี่เหีย่ยวย่นไปอีกกี่ปีไอ้กิเลส ท, ที่มันมีอยู่มันไม่แก่มันไม่เหี่ยวตามอะ่ะต่อให้แก่ขนาดนี้นะพอมีคนมาเสริมให้โอ้โ oh, ห oh, ไอ้ข้างในกิเลสนี่ยิ่งหนุ่มขึ้นโดยซ้ํำไปยิ่งสาวขึ้นโดยซ้ําไปเพราะถ้ายิ่งเพิ่มมันมันยิ่งสาวยิ่งหนุ่มยิ่งมีกําลังเพราะระวังให้ดีเถอะนะไม่ใช่ว่า มันมีมุมแต่ที่เราพยายามพูดในมุมดีเท่านั้นนะมันมีมุมเสียของมันด้วยนะว่าว่าไม่แก่ไม่แก่มีแต่อายุยาวเนี่ยเราพูดในมุมดีเพื่อให้คนกระฉับกระเฉงใช่ไหมแล้วก็แหมทําอะไรนี่แอคทีฟทําอะไรก็สู้กล้าสู้กิเลสนะกล้าที่จะชนกับกิเลสอะไรได้ให้มีพลังแตมุมกลับของมันคือถ้าใครเนี่ยนะไม่รู้อันนี้เนี่ยไม่รู้เท่าทานกิเลสคนนั้นน่ยไปเอากิเลสเข้ามาใส่พ่อเพิ่ม กิเลสมันก็ยิ่งหนุ่มมันก็แหม่ ย, ยิ่งมีพลังน ะ, ะคนนั้นอาจจะยิ่งแย่ต่อให้เนี่ยหนังเหี่ยวหนังย่นแล้วก็ฮไม่แก่เหมือนกันนะอันนั้นนะ่ะมันจะต้องระวังอันนั้นให้ดีอตมาเสริมอีกหน่อยนะพระเจ้าถ้ามีตาตะไว้ว่าก็กามทั้งหลายอันวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นลมใจย่อ ม, ม, ม, มย่ํายี จิตด้วยอาการย่อมย่ำยีจิต ด, ด้วยอารมณ์มีชนิดต่างๆบุคคลเห็นโทษในกรามทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนอนอแรดฉนั้นฟังดูนะอันนี้ท่านตัดไว้เปรี้ยงเลยมาเจอพระสูตรนี้เห็นเลยว่าเออมันตรงกับชาดกเรื่องนี้ท่านใช้คําว่ากรามทั้งหลายอันวิจิตหมายถึงว่ากรามที่อะไรแหมดูแล้วมัน นั่นอะไรอ่ะสวยงามวิจิตเนี่ยนะสวยงามหน้าเข้าไปแตะต้องหน้าเข้าไปสัมผัสน่ายินดีน่าพอใจมีรสอร่อย <c oughs> ท่านบอกเลยว่ามีรสอร่อยเพราะโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันน่ายินดีหน้าพอใจอะไรพวกเนี้ยอะไรก็ตามแต่ถือว่าเป็นกรามทั้งสิน้นนี่ยย่อมย่ํายีจิตเนีเพราะ ท่านบอกว่าจะมีแต่ว่าต้องเห็นโทษของกรมเท่านะเพราะถ้าใครไม่เห็นโทษของกรมแล้วไม่มีทางเลยที่จะพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรกได้แรดนีมีท่านหมายถึงแรดนี้นอเดียวน ะ, ะแล้วก็เที่ยวไปเพราะคนที่จ ะ, ะไม่คองเรือนหรือว่าไม่มีเพื่อนสองอไม่มีกิเลสกรมเนี่ยเป็นเพื่อนสองาจจะเป็นโสดได้โสดทั้งทางกายโสดทั้งทางจิตใจได้ นะโซ่ท้งจิตใจนะฟังดูให้ดีจะต้องรู้โทษของกามมาคุณให้ได้อันนีนะท่านพูดว่ากามเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งวัตถุกามสองกิเลสกามคือกรรมที่เป็นวัตถุกับกามที่เป็นจิตใจคําว่ามีรสอร่อยดูนะพระเจ้าท่านตัดยังไงกามคุณหประการนี้หประการเป็นฉนะัยรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจกักษุ อันหน้าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้ด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลินโพธะก็คือสัมผัสนั่นเองที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอันหน้าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัก ด, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กามคุณห้าประการนี้สุสมนัดใดอาศัยกามคุณห้านี้เกิดขึ้นสุสมนัดนี้เรากล่าวว่าเป็นกามมาสุขเป็นสุขเจือด้วยอุจจาระก็คือก็คือของเหม็นของปฏิกูลนะก็คือขี้นั่นเองพูด ง, ง่ายๆนะสุสุสมรัด เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกามมาสุขเป็นสุขเจือด้วยอุจระเป็นสุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของอริยชนไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรให้เจริญไม่ควรทำให้มากเราย่อมกล่าวว่าควรกลัวต่อความสุขนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าก็กามทั้งหลายอันวิ จ, จิตมีรสอร่อยนะ อันนี้คงไม่ต้องแปลอะไรมากพระเจ้าท่านตรัสไว้เลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่ยวนยั่วใจให้เรารุ่มหลงเนี่ยล้วนแต่เป็นกรารทั้งสิ้นตอนนี้ท่านก็บอกว่าโทษของกรารเป็นอย่างไรนะโทษของกรารก็คือหนึ่งนะท่านบอกว่ากุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยที่ตั้งแห่งศิลปะ คือนะท่านท่าน ก, ก็ยกอย่างไว้อย่างเช่นเป็นพวกกรสิกกรรมพาณิชยกรรมโครักกรรมก็คือทำไร่ทำนานะหรือว่าเลี้ยงโคแล้วเป็นนักรบเป็นข้าราชการหรือว่าประกอบกิจอื่นๆก็ตามทนต่อความหนาวทนต่อความร้อนถูกเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เสือครานเบียดเบียน ต้องตายเพราะความหิวความกระหายหมายความว่าอย่างนี้โทษของกรรมเนี่ยคือไม่ว่าจะใครมีอาชีพไหนก็ตามก็แหมขยันทำให้โด น, โนทำให้นี่อะไรต่างๆงานานาเนี่ยนะขยันมากมายนะบางทีต้องไปเบียดเบียนให้โดนไปเบียดเบียนให้นี่หรือว่าโดนสัตว์อื่นๆโดนคนอื่นๆเบียดเบียนมั่งก็ตามแต่ก็พยายามที่จะขยันทําขยันท ำ, น, ทำนะลาบากยังไงก็ทําเพื่อที่อะไร เพื่อที่จะได้ทซั์ได้อะไรต่างๆมานะท่านก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นเหตุของของกามแล้วละนี่ก็เป็นโทษของกามอย่างหนึ่งโทษที่ทําให้ต้องมาลําบากลาบนขนาดนั้นต้องมาเหน็ดเหนื่อยภาษาพ่อท่านใช้คําว่าหมาหอบแดดโอ้โหไปทําศกศศศนะลำบากมากนั่นนั่นไปโทษของกามแต่มองเห็นหรือเปล่าโทษของการติดกินดีไม่ใช่กินดีติดกินอร่อยติดอยู่สบาย มีบ้านหลังโตโตมีรถมีอะไรต่างๆก็พราไปติดอร่อยอย่างนั้นนะ่ะมันถึงต้องมาซกซกซกซทำอะไรมากมายขนาดนี้เห็นไหมว่านั่นเป็นโทษของกามนะนี่เป็นประการที่หนึ่งเสร็จแล้วไงพวกขสมบัติเหล่านั้นย่อมไม่เจริญขึ้นเนี่ยพอตั้งใจอยากจะทำเพื่อที่ให้ได้มากๆใช่ไหมปรากฏว่าบางทีทำแล้วได้น้อยอย่างบางคนเนี่ยไปทางานแล้วได้เงินเดือนมาน้อยเป็นยังไง เป็นทุกข์อีกบอกเนี่ยเห็นโทษของกาลไหมอย่าง่าอยากได้ยนะังอยากได้นี่ไปทําเสร็จแล้วมันไม่ได้มาเนี่ยเนี่ยเห็นในอย่างปาทุกเนี่ยเห็นโทษของกามหรือยังว่าทําให้ว่าเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนอย่างนี้นะกุลบุตรนั้นเนี่ยพอไม่ได้นะไม่ได้ทรัพย์เจริญขึ้นกุลบุตรนั้นก็เศร้าโศกลําบากใจลําพันเพอ้อทุบอกคล่ําควรถึงความหลงไหลว่า ความขยันหมั่นเพียรของเราเป็นหมั่นหนอความพยายามของเราไร้ผลหนอเนี่ยทุกเพราะว่าไร้ผลอันนี้ท่านก็บอกครา น, นี้ต่อให้ทำงานไปหาเงินโสกอะไรมาก็ตามแล้วได้ผลด้วยคราวนี้ได้แหมได้มาเยอะแยะเลยเนะกุลบุตรนั้นก็ได้เสวยทุกขโทมนัสเพราะเหตุต้องรักษาโภกระทรั์เหล่านั้น เห็นโทษหรืออย่างของค่าวว่าอุตสาหหามาได้เยอะแยะก็ต้องมาคอยดูแลรักษากลัวว่าเดี๋ยวมันจะสูญเสียมันจะโดนโจรจี้ป้นหรือว่าโดนอะไรก็แล้วแต่นะคือคืออันนั้นอ่ะอีกต่อหนึ่งแต่ก่อนแรกก่อนอื่นเลยมีเยอะๆต้องมาคอยรักษามันคอยดูแลมันพอท่านชอบพูดบ่อยๆว่ามีบ้านหลังใหญ่ๆทําไหวหรือเปล่างัจะต้องมาดูแลรักษานั่นแหละเนี่ยเห็นทุกข์ไหมเห็นโทษภัยของมันไหมเอาต่อไป เนี่ยแหละก็กลัวโจรจะมารักขโมยกัวจะไฟไหม้กลัวจะน้ําท่วมจะต้องสูญเสียทรัพย์เห็นทุกข์ไหมว่าเนี่ยเป็นโทษของการที่ไปติดว่าจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองจะต้องมีเมียสวยๆมีสามีหล่อๆเอาใจเก่งๆอะไรเงี้ยเห็นทุกข์ไหมว่าจะต้องโอ้โหคอยระวังดูแลรักษากลัวเดี๋ยวใครจะมาจีบเอาไปหรือว่าแฟนจะไปมีเมียใหม่อะไรอย่างเงี้เห็นทุกหรือเปล่า เสร็จแล้วคังไงพวกกรัพย์เหล่านั้นถูกพระราชาลิบเอาไปบ้างถูกโจรลักเอาไปบ้างถูกไฟไหม้บ้างถูกน้ําท่วมบ้างถูกทายาทผู้ไม่เป็นที่รักขนเอาไปบ้างกุลบุตรนั้นย่อมเศร้าโศกเห็นทุกเห็นโทษของกรรมหรือยังพอเวลาต้องสูญเสียจริงๆเข้าทุกอีกเสร็จแล้วท่านก็นบอกต่อไม่อีกว่า เอาเห็นเห็นทุกเห็นโทษของกามต่อมอีกหรือเปล่าว่าทำให้บิดามารดาทะเลาะกันบ้างพี่น้องทะเลาะกันบ้างนะจะเป็นครูอาจารย์ลูกศิษย์อะไรก็แล้วแต่เน่เพื่อนถูงทะเลาะกันบ้างนะชนเหล่านั้นทะเลาะวิวาทกันก็เพราะเหตุแห่งกามนั้น